เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ 2. สองศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสาพาหุสั จ, จความเป็นผู้ศึกษามาส 4. วิญยารัมพะความปรารบความเพียรห้าปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรรู้ประการแรกขอให้นักเรียนนักศึกษา มาทําความเข้าใจกับคําว่าเวสารัชกระนธรรมเสียก่อนคําว่าเวสารัชกระนธรรมแปลว่าทำทำที่ทําความกล้าหาญทำที่ทําความกล้าหาญทำห้ายอย่างนี้เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าวิสาระทะทัทธรรมนะวิสาระทะทัทธรรม ก็คือทำที่ทําความกล้าหาญนั่นเองฉะนั้นคําว่าทำที่ทําความกล้าหานี้หมายความว่าหากว่าผู้ใดมีทำห้าประการแล้วจะทําให้เป็นผู้องอาจเป็นผู้แก้วกล้านะเป็นผู้ อ, อาถรรพ์ในการที่จะโต้ต อ, อบอเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเรื่องเหตุเรื่องผลฉะนั้นในธรรม ทั้งห้าอย่างนี้ข้อแรกก็คือศรัทธานะข้อแรกศรัทธาความเชื่อต่อเหตุผลที่ประกอบด้วยยานซึ่งเรียกว่ายานสัมปยุตชื่อว่าศรัทธาความเชื่อต่อสิ่งที่ปราศจากเหตุผลและปราศจากยานซึ่งเรียกว่ายานวิปยุตไม่เรียกว่าศรัทธาแต่เรียกว่าอธิโมกเชื่อตามเขานะ่ะอธิโมกแปลว่าเชื่อตามเขา ศรัทธานี้ท่านจำแนกโดยประเภทตามวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อมีอยู่สี่ประการคือหนึ่งกรรมศรัทธาเชื่อกรรมคำว่าเชื่อกรรมก็หมายความว่าเชื่อการกระทาเชื่อว่าเราทุกคนจะดีหรือชั่วนั้นอยู่ที่การกระทำไม่ใช่อย่างอื่นอันนี้ลระถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ทุกวันนี้เราไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นผู้กระทำกรรมมักจะไปโทษคนโน้นคนนี้มักจะไปโทษคนโน้นคนนี้คืออ้างอยู่เรื่อยว่าตัวเองไม่ได้ทำทั้งๆที่ว่าตัวเองกระทำเพราะว่ากรรมนี้เป็นเครื่องจำแนกสัตว์เหมือนกับพุทธภาษิตว่ากรรมมังสัตเตวิพัชติกรรมย่อมจาแนกสัตว์ให้ดีก็ได้ให้เลวก็ได้ ให้ประนีตก็ได้ให้ยาบก็ได้ฉะนั้นคนเราจะดีจะชั่วนั้นอยู่ที่การกระทำแปลการที่สอง <c oughs> วิปากสรัทธาเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าตัวเองทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วอันนี้อันนี้ผลที่เราได้รับจากที่เรากระทาเราทำชั่วทางกายมีกายกรรม เช่นปานาทิบาตเกิดฆ่าสัตว์อธินาทานลักทรัพย์การเมซุมิฉาจารประพฤติผิดประเวณีหรือประพฤติผิดในการมทั้งหลายอย่างนี้เรียกว่าเราทําชั่วทางกายชั่วทางวาจาก็คืออพูดปดพูดส่อเสียดพูดเท็จพูดคําหยาบาพูดเพ้อเจ้อนี่เรียกว่าทําชั่วทางวาจา ทำชั่วทางใจก็คือโลกอยากได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาสามเห็นผิดจากทานองคลองทำทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจฉะนั้นเมื่อเราทำกรรมอย่างไรแน่นอนที่สุดกรรมดีเราก็ย่อมได้รับผลดีกรรมชั่วเราก็ต้องได้รับผลชั่วเพราะในทางพระพุทธศาสนามีหลักอยู่ว่ายาที่สังวัปเตปีชัง ตาที่สังละพระเตพลังกัลยาณการีกัลยานังปาปการีจะปาปังปุกคนวานเพื่อเช่นใดก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วอันนี้แหละเป็นหลักความจริงในทางพระพุทธศาสนาฉะนั้นขอให้เราทุกคนได้พินิษพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้ท่องแท้ให้เข้าใจเมื่อตัวเองพิจารณาเข้าใจว่าเราเป็น เป็นผู้ทำกรรมนะเป็นผู้ทำกรรมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วแล้วกรรมที่เราทำนั้นเราทำได้ทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเมื่อเราทำอย่างไรเราก็ย่อมได้รับผลอย่างนั้นเราทำชั่วทางกายเราก็ต้องได้รับทางกายอันนี้เป็นเรื่องเป็นเป็นสัจธรรมเราทำชั่วทางวาจาเราก็ได้รับชั่วผลชั่วเราทำชั่วทางใจเราก็ได้รับผล เรียกว่าเราจะทำทางกายทางวาจาทางใจเราก็ได้รับผลดัง น, น, นั้นก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นก็อาจจะมาด้วยเหตุหลายๆประการแต่ทั้งหมดก็ลงมาว่ า, าจากการที่เราได้ทำชั่วทางกายทางวาจาและทางใจถ้าว่าเราทำดีทางกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดปดไม่พูดสอดเสียดไม่พูดคาหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อ ไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยายามปองร้ายเขาเห็นถูกตามตานองกลองธรรมเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้ได้ช่อว่าเราทำดีเมื่อเราทำดีเราก็ย่อมได้รับผลแห่งความดีตอบแทนความดีย่อมเอานวยผลให้เราเกิดความสุข ก, กายสบายใจความดีทําให้เราไม่ต้องอหลบลี้หนีหน้าทาให้เราเบิกบานใจทาให้เราแช่มชื่นทาให้เราเกิดความสง่า่าเผยทาให้เรามีความลวกล้า การทำดีนั้นไม่ต้องคอยหลบคอยซ่อนไม่ต้องกลัวใครไม่ต้องอายใครฉะนั้นผลแห่งความดีก็คือทําให้เราสุกกายสบายใจจะไปที่ไหนก็มีแต่คนยกย่องคนชมเชยคนสรรเสริญฉะนั้นเรื่องทําดีนี้ก็จึงถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะเป็นสิ่งสําคัญมาฉะนั้นในข้อที่สามก็คือเกี่ยวกับเรื่องกรรมก็คือกรรมมัศกาสกธา เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนหมายความว่าเมื่อเราทุกคนจะดีหรือชั่วอยู่ที่กรรมก็คือเชื่อเรื่องกรรมแล ะ, ะผลที่เราได้ทำกรรมนั้นก็คือวิปลาสัตธาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมาในข้อที่สามก็คือเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนก็หมายความว่าตนได้ทำกรรมตนได้ทำกรรมอย่างไรไวเ้เราก็เป็นเจ้าของกรรมนั้น เราเป็นเจ้าของกรรมนั้นเราทําแล้วจะไปให้คนอื่นได้รับไม่ได้เรารับประทานอาหารเองเราก็อิ่มเองนะเราเป็นไข้เกิดความเจ็บปวดป่วยไข้แน่นอนที่สุดหมอเขาฉีดยาเราจะไปให้คนอื่นเจ็บไม่ได้เราก็ต้องเจ็บเองอันนี้เป็นหลักความจริงฉะนั้นเราทำำํากรรมดีเราก็ย่อมได้รับกรรมผลแห่งกรรมดีเองเราทําความชั่วเราก็ย่อมได้รับความชั่วเองอนะเรียกว่าผู้ทำำํากรรม เองก็ย่อมเศร้าหมองเองอผู้ไม่ทํากรรมอชั่วก็ย่อมไม่เศร้าหมองคือย่อมถึงความบริสุทธิ์สุดที่อสุธิปัจจัตตังความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์มันเป็นของเฉพาะตัวนานโยอัญยังวิโสทะเยบุคคลอื่นจะยังบุคคลอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้นะนอกจากตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทําตัวของเราให้บริสุทธิ์อาขาตาโรตถาคตาพระตาถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกไง เป็นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะแนวทางแต่ผลแห่งการที่เราจะเกิดความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นั้นอยู่ที่ตัวของเราจะทําหรือไม่ทํานั้นอยู่ที่ตัวของเรานี่ข้อนี้เป็นสิ่งสําคัญฉะนั้นเราทุกคนจึงเป็นเจ้าของแห่งกรรมนทํากรรมอย่างไรไว้ก็จ้องเลยรับผลอย่างนั้นประการสุดท้ายตถาคตะโพธิศรัทาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตะถาคตเจ้าเชื่อว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ตรัสรู้จริง เป็นผู้ตัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้ตัสรู้อริยสัจสี่รู้ทุกข์รู้เหตุที่เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้หนทางให้ถึงความดับทุกข์รู้อย่างนี้แหละได้ชื่อว่ า, ารู้ความจริงของอพระเดชเจ้าหรือรู้ความจริงอันประเสริฐรู้ความจริงที่ปราศจากข้าศึกความจริงที่ปราศจากข้าศึกฉะนั้นศรัทธาโดยลักษณะก็มีสี่คือเชื่อเลื่อมใสเล่นไปและยังลงในวัตถุที่ควรเชื่อ ทั้งสี่อย่างนี้เป็นลักษณะคือเชื่อนะเมื่อมีความเชื่อแล้วก็เกิดความเลื่อมใสเรามักจะพูดติดต่อกัอนว่ามันมีความเชื่อมีความเลื่อมใสนะเลื่อมใสนี่คือตัวปภาษาพร ะ, ธธะเมื่อเลื่อมใสแล้วก็แล่นไปเนะไอ้เขามาแล่นไปนั่หมายถึงว่าอาไปทําในสิ่งที่ตนเชื่อตนเลื่อมใสนะแล้วก็ยังลงในวัตถุที่ควรเชื่อนี่เป็นลักษณะของศรัทธา กิตของศรัทธาก็คือกำจัดโทษที่เป็น่าสึกแห่งตนคืออศัติยะความไม่เชื่อนี่เป็นเป็นกิจนีเราเรียกว่าเป็นหน้าที่ก็คือว่ากำจัด่าสึกตัวไม่มีศรัทธ า, าตัวไม่มีความเชื่อให้หมดไปสองว่าได้เรื่องศีลศีลคือเครื่องรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเมื่อพูดถึงเรื่องศีลโดยพยัญชนะได้แก่ ปกติทางกายทางวาจาคือหมายถึงว่าศีลเป็นเครื่องศีลแปลว่าปกตินะคําว่าศีลเนี่ยศีละนี่แปลว่าปกติคือปกติอะไรปกติทางกายทางวาจาก็คือทำกายทำวาจาให้เรียบร้อยนั่นเองคือให้ปราชจากอกุศลกรรมและโทษอันจะพึงครหาปกติทางกายก็เช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกามปกติทางวาจาก็เช่นไม่พูดปดไม่พูดสอดเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อแต่ปกติโดยไม่ได้มีเจตนาสังวรดังทารกที่อยู่ในคันคนที่นอนหลับเป็นต้นไม่ชื่อว่ามีศีลต้องมีเจตนาความตั้งใจงดเว้นจากข้อนั้นๆด้วยจึงเป็นศีลนะจึงเป็นศีล แล้วก็คําว่าศีนนี้ถ้าเราจะพูดให้ง่ายอย่างหนึ่งคือว่าคําว่าศีนจะแปลว่าเย็นก็ได้คือหมายถึงว่าคนที่มีศีนนั้นก็มีความร่มเย็นกายร่มเย็นใจเพราะเราไม่เบียดเบียนเขาในทางกายไม่เบียดเบียนเขาในทางวาจาเราก็มีความสุขกายสบายใจอันนี้แน่นอนที่สุดนึอศีนจะแปลว่ากเกษมก็ได้ คือผู้ที่ได้รักษาศีลกย็ย่อมถึงความสุขความกเกษมสุขความสวัสดีโดยที่สุดแม้แต่พระอาหารหันต์ก็ต้องมีศีลเป็นบาดฐานในการประพฤติปฏิบัติที่จะตัดกิเลสตายคลายกิเลสทิ้งหรือต้องการที่จะให้ได้มรรคในผลก็ต้องมีศีลเป็นบรรทัศฐานเหมือนกันฉะนั้นศีล น, นี่ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนจะต้องรักษาต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพราถือว่าอาศีนั้นเป็นธรรมะที่สร้างสังคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสังคมใดที่มีศีลมีวินยัยสังคมนั้นก็มีแต่ความสงบความเรียบร้อยแต่สังคมใดไม่มีระเบียบไม่มีวินยัยสังคมนั้นก็คือขาดศีลเมื่อสังคมขาดศีนสังคมก็ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทําความเข้าใจว่าคําว่า อาสีนี้ก็ได้แก่วินยัยวินัยก็คือสีนั่นเองคือสีเนี่ยนาคนไปวิเศษวินัยก็คือนาคนไปวิเศษให้วิเศษกว่าคนไม่มีศีลกว่าคนไม่มีวินยัยแล้วทําให้ให้สังคมเกิดควา ม, <inas? S 1> า ม, มาร่มเย็นเป็นสุขให้ประเทศชาติเกิดความร่มเย็นเป็นสุขดังนั้นคนมีสีนีวินยัยก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความสงบอันโดยทั่วกันอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญ แล้วก็สีนี้ท่านจําแนกโดยประเภทมีสามอย่างก็คือหนึ่งสีห้าสีห้าเป็นศีลสําหรับคฤือหัดทั่วไปเรียกว่าจุลศีลคือยังเป็นศีลเล็กๆนะแต่ก็ถือว่าสําคัญมากถือว่าเป็นระเบียบของสังคมถ้าหากว่าสังคมใดไม่มีศีห้าสังคมนั้นจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนสังคมใดหาไม่มีศีห้า สังคมนั้นจะมีแต่การเอารัดเอาเปรียบ ก, กันมีแต่การโกงกันมีแต่การรังแกกันฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในสังคมจึงจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีระเบียบมีวินัยก็คือมีศีล น, นั่นเองเมื่อเรามีศีลแล้วแน่นอนที่สุดสังคมนั้นจะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญใครเห็นก็เป็นที่น่านับหน้าถือตาแล้วก็ลอยให้ได้รับความรุ่มเย็นเป็นสุขไปด้วย สีนประเภทที่สองเรียกว่าศีแปดหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าอุโบสถศีนเป็นศีลสําหรับอุบาสกอุบาสิกาหรือศีสิบสําหรับสัมมาเนรเรียกว่ามัชชิมศีลคือเป็นศีลอย่างกลางเป็นสีอย่างกลางแล้วก็สีประเภทที่สามเรียกว่าศีลเรียกว่าศีสองร้ยี่สิบเจ็ดสำหรับพิสุเรียกว่ามหาศีนเป็นสีเป็นเป็นสีขนาดใหญ่เป็นศีลมากกว่างั้นเถอะ ศีลมากเรียกว่ามหาศีลท่าของพิษุณีก็มีสามร้อยสิบเจ็ดอันนี้ถือว่าเป็นหลักเกี่ยวกับเรื่องศีลฉะนั้นคนที่มีศีล น, นี้ก็เท่ากับว่าคนที่มีจิตใจหนักหนักแน่นน่ะมีจิตใจหนักแน่นเพราะคําว่าศีลเนี่ยหรือว่าศีละเนี่มันจะคําว่าศีลานะมันจะคําว่าศีลาอคําว่าศีลาก็คือก้อนหินฉะนั้น คนมีมีศีลก็เหมือนกับคนมีมีศิลาก็คือมีจิต ใ, ใจหนักแน่นหนักแน่นเหมือนกับศิลาเหมือนก้อนหินนะคือหนักด้วยแล้วก็แน่นด้วยอะไรที่มันหนักนั่นแสดงว่ามันไม่เป็นโพล์มันไม่แตกไม่เปราะง่าย น, นะฉะนั้นก้อนหินเหมือนกันมันจึงไม่เป็นโพล์มันจึงหนักจึงแน่นคนเราเหมือนกันถ้ามีจิตใจหนักเหมือนกับก้อนหินมันก็มีจิตใจหนักแน่นนะจิตใจหนักแน่นทางกายก็ ก็พลอยหนักแน่นไปด้วยทางวาจาก็พลอยหนักแน่นไปด้วยก็คือว่าทางกายก็จะไม่เป็นคนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมทางวาจาก็จะไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอเจอฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่าสีลังโลกเก อ, อนุตรังว่าาศีนนั้นยอดเยี่ยมในโลกนะศีนนั้นยอดเยี่ยมในโลกฉะนั้นเราทุกคนควรจะประพฤติปฏิบัติตามศีนรักษาศีนเพราะว่า ศีล น, นำความสุขมาให้ตราบเท่าชรานะทีนี้ก็นี่เป็นเรื่องของศีลทีนี้ก็มาในเรื่องของพาหุสัจจ์นะพาหุสัจจ์แปลว่าความเป็นผู้สดับมากนะความเป็นผู้สดับมากโดยอัจก็ได้แก่การศึกษานะการศึกษานะการศึกษาในที่นี้ท่านจำแนกออกเป็นสองก็คือพาหุสัจจในธรรมวินยัย สพาหุสัจจะนอกธรรมรวินัยพาหุสัจจะในธรรมรวินัยได้แก่การเรียนหรือการได้ฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเกิดความฉลาดในพุทธวจนะนั้นๆชื่อว่าพาหุสัจจะในธรรมรวินัยพาหุสัจจะในธรรมรวินัยนี้ก็หมายถึงว่าความเป็นผู้ที่ได้ขยันหมั่นเพียรนะเป็นผู้คงแก่เรียนคนะงแก่เรียนอาจจะเรียน ภากเพียนสอบตั้งแต่นักรมตรีโทเอกสอบป ร, ริญธรรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประโยคได้หรือแม้จะเป็นนักปฏิบัติจเจริญสมาธิจเจริญสมาถะวิปัสนาก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติจนเข้าใจนะจนเข้าใจ อ, อย่างนี้ได้ชื่อว่ามีาความเป็นผู้มีพระหุสัจจะในพระธรรมวินยัยดังนั้นพระอานนท์จึงได้ชื่อว่า เป็นผู้ที่มีพหุสัจจะเพราะเป็นผู้ได้สดับตรับฟังมามากพระพุทธองค์จะไปแสดงธรรมที่ไหนแก่ใครเมื่อไรก็จะต้องมาแสดงให้กับพระอนุ์ได้รู้ได้ทราบฉะนั้นพระอานุลจึงได้นะด่ะอด้รับว่าเป็นเอตตะคะในเรื่องอพหุสัจจะก็คือเป็นผู้ที่ได้สดับตรัพฟังมาม า, มากเป็นผู้คงแก่เรียนนั่นเองอะฉะนั้นพหุสัจจะนอกธรรมวินัยก็คือความที่ได้เป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องทางโลก ในศาสตร์ต่างๆเป็นต้นว่า น, นิติศาสตร์คือวิชากฎหมายรัฐประสานศาสตร์วิชาการปกครองหรือครุศาสตร์ครูศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องครูอักษรศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องอักษรอักขระความชํานาญในภาษาหรือจะเป็นสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องอการวิชาว่าด้วยการก่อสร้างการก่อสร้างหรือพวกวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อะไรก็แล้วแต่ในทํานองนี้ถือว่าเป็นวิชาชีพในการทำมาหาเลี้ยงชีพทำมาหากินนะทำมาหากินอย่างนี้เป็นเป็นพหุสั จ, จนอกทำวินยัยแต่ความฉลาดในหัตถกรรมที่ทําด้วยฝีมือเกี่ยวกับเรื่องการทอถักจักสารหรือเกี่ยวกับเรื่องการสลักแกะสลักต่างๆไม่ชื่อว่าเป็นพหุสั จ, จะนะไม่ชื่อว่าเป็นพหุสั จ, จ ฉะนั้นสรุปได้สั้นๆก็คือว่าพาหุสัจจะแปลว่าความเป็นผู้คงแก่เรียนหรือสับุตรฟังมามากนั้นก็ได้แก่การเรียนการศึกษาในพระธรรมวินัยนั่นเองประการที่สามวิยารัมพะแปลว่าปลารบความเพียร น, นะปลารบความเพียรนะคําว่าวิยะแปลว่าความแกล้งกล้าหรือความเพียร โดยอัดความเป็นผู้กล้าหาญประกอบด้วยกายใจไม่ย่อท้อเรียกว่าวิริยะฉะนั้นคนที่มีความเพียรก็คือคนที่มีความกล้าหาญนะมีความกล้าหาญไม่ย่อท้อาต่อความทุกข์ยากต่อความลําบากในเรื่องความเพียรนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญคนเราไม่เกว่าจะอยู่ในฐานะอะไรจะต้องมีความเพียรความเพียรในการประกอบอาชีพของตนนะแต่คือความเพียรทั้งทางโลกทางธรรม เราจะทํากิจการงานน้อยใหญ่อะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมีความเพียรเพราะว่าความเพียรที่เรากระทํานั้นเป็นบอกเกิดแห่งความสําเร็จแห่งการงานทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าหากว่าเราไม่มีความเพียรแล้วการงานที่เราทําคําที่พูดนั้นก็ไม่สําเร็จเช่นว่าเราทาํานาเราทําไร่ทําสวนพวกเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมต่างๆนั้นเราจะต้องมีความเพียรต้องมีความเพียรก็คือตัวขยันนั่นเองตัวขยัน พระพุทธองค์จึงไม่ตัดไว้ว่าอุทาตาวินเตเตตนังคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้แต่ถ้าหากว่าไม่ขยันเป็นคนเกียจคร้านแน่นอนที่สุดทรัพย์ก็เกิดขึ้นไม่ได้นะทรัพย์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนขยันนะเป็นคนขยันมันเพี้ยนนะส่วนการเล่าเรียนศึกษาต่างๆเราก็ต้องขยันถ้าไม่ขยันก็วิชาการต่างๆที่เราศึกษาเล่าเรียนก็ไม่สําเร็จพระพุทธองค์จึงได้ตัดไว้ว่าวิริเยนานุทุกขมัดเจติ คนจะล่วงทุกได้เพราะความเพียร น, นี่หรืออย่างในหัวใจเศรษฐีพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าผู้หนึ่งผู้ใดประพฤติท ร, รศีลประการนี้ผู้นั้นจะเกิดความมั่งคั่งเกิดความสมบูรณ์เกิดความร่ำรวยขึ้นในชีวิตอ่าก็คือหนึ่งอุทฐานอุทฐานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันมันเพียรสองอารักสัมปทาถึงพร้อมด้วยอ่าการรู้จักเก็บรักษาสามกัลยาณมิตตาต้องครบ เพื่อนที่ดีสี่สมชีวิตาเลี้ยงชีพโดยสมควรแก่ฐานะไม่ฟืดเครื่องเกินไปไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปอถ้าผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติแล้วผู้นั้นก็จะเกิดความมั่งคั่งแล้วก็เกิดความสมบูรณ์พูนสุขเกี่ยวกับเรื่องอกิจที่ทําคําที่พูดฉะนั้นหากว่าเราเป็นคนกยันในการทํากิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ก็แน่นอนที่สุดว่าเราก็จะมีแต่ความสุขเราก็จะมีแต่ความเจริญฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงมีความขยันหมั่นเพียรทั้งทางโลกทางธรรมส่วนในทางธรรมก็ให้เรามีความเพียรในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยในการเล่าเรียนศึกษานักธรรมตรีโทเอกหรือจนได้ป ร, ริญญาธรรมปทรอหนึ่งสองห้าเจหรือแม้ที่สุดเราจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาเราก็จะต้องมีความเพียร เพราะในทางพระพุทธศาสนาได้ตัดไปเลยว่าอุปกรณ์แห่งการปฏิบัติธรรมนั้นก็คือหนึ่งอาตาปีต้องเป็นผู้มีความเพียรเป็นเครื่องเผาผลาญกิเลสถ้าหากว่าเราปฏิบัติธรรมขาดความเพียรข้อแรกแล้วแน่นอนที่สุดเราก็กลายเป็นคนมีความย่อหย่อนเกี่ยวกับเรื่องอการทำสมาธิการทำสมถะวิปัสสนาก็จะทำให้เรานั้นไม่ได้มรรคผลนิพพานตามที่ตนปรารถนาได้ แต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้มีความเพียรแล้วก็แน่นอนที่สุดเราก็จะประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาได้ฉะนั้นความเพียร น, นี้ในทางโลกโลกนั้นเขาจึงจาแนกออกเป็นหลายอย่างเหมือนกันเป็นต้นว่าหนึ่งเพียรในการทำคุณงามความดีเพียรในการทำคุณงามความดีก็คือว่าเราอยู่ในทางโลกก็คือว่า เพียรทาบุญสุนทานบ้างเนียเพียรทําบุญสุนทานประกอบให้เหมาะสมกับอาชีพของเราเนีแล้วก็เพียรขยันทํากิจการงานน้อยใหญ่เช่นว่าเราทํานาทําไร่ทําสวนเราก็ต้องขยันถ้าเราไม่ขยันแน่นอนที่สุดให้เพื่อที่เราทํานั้นมันก็จะไม่งอกงามหรือว่าทําไม่ถูกการละเทสะเราไม่รู้จักมีมานะขยันอดทนแล้วมันก็อาจจะไม่เจริญงอกงามก็ได้อาจจะไม่ให้ผลเต็มที่ก็ได้ ฉะนั้นเราจะต้องมีความเพียรรู้จักตรวจตราอกับกิจการงานที่เราได้ทําคําที่พูดไปว่ามันดีหรือยังไม่ดีก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเพียรทํามาค้าขายเราจะค้าขายอะไรเราก็ต้องขยันตื่นแต่ดึกนะตื่นแต่ดึกเหมือนโบราณเราบอกว่าถ้าหากว่าตื่นเช้าแน่นอนที่สุดเราก็ได้งานหลายถ้าตื่นสายเนี่ยตื่นสายเราก็ได้งานน้อยนี่ ฉะนั้นเราต้องตื่นเช้าเชนะ้าการตื่นเช้าเท่ากับว่าเรานั้นมีความขยันหมั่นเพียรแต่ถ้าเราเตือนสายมันก็ได้งานน้อยเพราะว่าพอสายแล้วก็เวลามันก็จะหมด เ, เกี่ยวกับเรื่องการทํางานแล้วพอสายแล้วก็ให้สิ่งที่เราปรารถนามันก็หมดด้วยคนอื่นมาเอาไปหมดฉะนั้นเราจะต้องมีความเพียร น, นะมีความ ก, วกล้ากล้ามีความอดหาันทีนี้พอมาพูดถึงในในทางธรรมก็เหมือนกัน เราจะเล่าเรียนศึกษาอะไรนั้นเราจะต้องมีความเพียรคนมีความเพียรก็คือคนมีความอาจหันเหมือนกันอเพราะว่าตัวเพียร น, นี่แหละคือตัวกล้าตัวกล้าตัวองค์อาจตัวอาจหาันดูอย่างกระเท้าสุรนารีเนี่ยถือว่าเป็นเป็นผู้มีความกล้าหานเป็นผู้มีความเพียรจึงสามารถเอาชนะฆ่าศึกศัตรูได้ฉะนั้น สิ่งที่จะชนะฆาศึกศัตรูได้นั้นจะต้องมีความกล้าหาญจะต้องมีความเพียรเป็นวัฏฐานข้อนี้สําคัญถ้าหากว่าไม่มีความเพียรไม่มีความกล้าหาญเป็นปวัฏฏฐานแล้วก็ไม่สามารถเอาชนะฆาตศึกน้อยใหญ่ได้และโดยเฉพาะอย่า ง, งยงิ่งฆาตศึกคือกิเลสนั้นเราจะต้องใช้ความเพียรเป็นเครื่องประหารนะเหมือนอย่งกับประทานความเพียรสี่อย่างหนึ่งเพียรรักษาเพียรระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้นในจิตใจสองเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป สเพียรสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจสี่เพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปอย่างนี้แหละเรียกว่าเรามีความเพียร น, นะเรามีความเพียรฉะนั้นล่าวขอให้เราทุกคนได้พึงสังวรไวเลยว่าถ้าหากว่าเราปรารบความเพียรอยู่ตลอดเวลาก็จะทําให้เรามีความก ล, วกล้ามีความอดหนในการที่ขยันทํากิจการงานน้อยใหญ่ในการที่เราจะ าภาคเพียรเรียนหนังสือในการที่เราจะอประหารกิเลสด้วยการเจริญสมาธิจเจริญสมถวิปัสนาเราก็จะต้องมีความเพียรเมื่อเรามีความเพียรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็อำนวยผลประโยชน์ก็คือความสุขความเจริญความก้าวหน้าสมบัตความบุมากป่าธนาของเราได้มาในข้อสุดท้ายปัญญาคือข้อห้าปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรรู้นะรอบรู้สิ่งที่ควรรู้ไอ้คําว่ารอบรู้สิ่งที่ควรรู้คือรู้อะไร ไอ้คําว่ารู้ในที่นี้ก็คือว่ามันมีอยู่สองอย่างนะปัญญานี่มีอยู่สองอย่างคือโลกิยะปัญญากับโลกุตระปัญญานะโลกียะปัญญาก็คือปัญญาของอย่างโลกิยชนหรือปัญญาของของของชาวโลกว่างั้นเถอะโลกุตระปัญญาก็เป็นปัญญาของพระยบุคคลนะเป็นปัญญาของคนเหนือโลกนะปัญญาของคนเหนือโลกดังนั้นปัญญาของ โลคิยชนก็เช่นว่าการทำมาหากินนะนะการทำมาหากินประกอบวิชาชีพทำมาค้าขายทำไร่ท ำ, ять, ทำนาต่างๆอย่างนี้ก็ถือว่าโลกิยปัญญาหรือว่าวิชาตัดเสื้อผ้านะวิชาตัดเสื้อผ้าวิชาพวกเป็นครูอาจารย์ต่างๆอย่างนี้ถือว่าเป็นโลกิยปัญญาทางนั้นนะเป็นโลกิยปัญญา achen, ทางนั้นจะเป็นปกติกรรมอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นโลคิยปัญญาทางนั้นนั้นปัญญาอย่างนี้ ที่มีไว้ก็เพื่อประกอบในการทามาหากินประกอบในการหาเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบแต่แค่นั้นยังไม่พอเพราะอย่างนั้นจะอาจทำให้เรานั้นเกิดขาดความสติได้หรืออาจจะเป็นโมหะก็ได้เราจะต้องมีโลกุตระปัญญาก็คือปัญญาของพระอุคุนนี้เป็นปัญญาของชนที่เหนือโลกนะที่เหนือโลกก็คือสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อีกอย่างหนึ่ง สัชทิกะปัญญาได้แก่ปัญญาติดตัวมาตั้งแต่เกิดสองภาวนามยะปัญญาปัญญาเก็บสะสมได้ทีหลังเก็บสะสมได้ทีหลังอทางทางเกิดของปัญญาก็มีสามคือหนึ่งจินตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังอสองขอประธานทอสุตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังสองจินตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดสามภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังฉะนั้นนี่แหละ ถ้าหากว่าเรามีปัญญาครบทั้งสามประการนี้แล้วก็จะได้ชื่อว่าเรารอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้ประการสุดท้ายที่ว่ารู้อะไรที่เรียกว่ารอบรู้สิ่งที่ควรรู้ก็คือหนึ่งรู้ทุกสองรู้เหตุให้เกิดทุกสามรู้ความดับทุกสี่รู้วิทางให้ถึงความดับทุกรู้อย่างนี้แหละได้ชื่อว่าอรู้สิ่งที่ควรรู้ฉะนั้นปัญญาที่ว่ารอบรู้สิ่งที่ควรรู้จึงถือว่าเป็นสิ่งสําคัญ คนเราบางคนที่เข้ามาประชุมก็มักนั่งนิ่งนิ่งเพราะขาดทำข้อนี้ผู้ที่มีปัญญารอบรู้อะไรไว้มากความอาจหันแก้วกล้าโต้อตอบแก้ไขาได้คล่องแคล่วรวดเร็วไม่ขัดขวางก็เพราะสมบูรณ์ด้วยปัญญาฉะนั้นทำทั้ง5้าประการดังพรณนามานี้แม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งต่างก็มีคุณอาจทําให้เกิดความแก้วกล้าในการประกอบกิจนั้นๆได้ทุกๆข้อทำห้าอย่างนี้สงเคราะห์ในใจสิกขาคือศีลลงในศีลแสิกขา วิยาลัพภะลงในจิตติกขาศรัทธาภูสัจจะปัญญาลงในปัญญาติกขาการที่จะสงเคราะห์ศรัทธาลงในปัญญานั้นก็เพราะถือหลักว่าศรัทธากับปัญญาเป็นของคู่กันเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องเวสารัชชานะทำห้าปรบวันนี้จะได้พูดในหมวดที่ห้าว่าได้เรื่ององค์แห่งพิสุใหม่ห้าอย่าง คือหนึ่งสํารวมในพระปาติโมกเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทําตามข้อที่ทรงอนุญาตสสํารวมอินทรีย์หกคือตาหูจมกูกเลนกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเมื่อตาเห็นรูปผูฟังเสียงจมูกตมขิ่นเลนลิมรสกายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดในอารมณ์ต่างๆสาความเป็นคนไม่เอกรเเรกเหา สอยู่ในเสนาสนะอันสงบห้ามีความเห็นชอบพิสุใหม่ควรตั้งอยู่ในธรรมห้าอย่างนี้คือมีความจําเป็นอย่างไรพิสุใหม่จึงต้องตั้งอยู่ในองค์ห้าอย่างอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ผู้ฟังอาจจะตั้งไว้เป็นข้อสงสัยอยู่ในใจเพราะว่า ยังในข้อแรกนั้นที่บอกว่าสํารวมในพระปาติโมกเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่ทรงอนุญาตคําว่าพระปาติโมกเป็นระเบียบที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เป็นพุทธานาความเป็นพิสุจ์เนื่องด้วยพระปาติโมกถ้าประพฤติผิดอย่างรุนแรงถึงกับดับโทษไม่มีทางที่จะแก้ไขได้อันนี้ก็หมายความว่า คือในพระปาฏิโมกนี้ในพระปาฏิโมกนี้เป็นที่รวมพระวินัยนะวินัยก็คือสี่นั่นเองถือาถือว่าเป็นข้อห้ามนะเป็นพุทธานานะเป็นข้อห้ามฉะนั้นเมื่อเราเป็นพระนะเป็นพิสุผู้บวชใหม่เข้ามาใหม่ในพระธรรมวินัยยังไม่ค่อยรู้นะยังไม่ค่อยรู้เรื่องระเบียบเรื่องกฎเกณฑ์อะไรต่างๆก็อาจจะทําให้ผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่อง พระวินัยเรื่องศีลได้ย่อมจะเป็นที่ืคยหานินทาของคนทั่วไปและยิ่งจนถึงที่สุดก็คือว่าอาจจะหมดจากความเป็นพิสูจไปเลยก็ได้อาจจะถึงโทษทงหนักไปเลยก็ได้ฉะนั้นเป็นพิสูจนใหม่นั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีความสำรวมระมัดระวัง เ, เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทําตามข้อที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต เ, เพราะว่าพิสูจน์บทใหม่นั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีพี่เลี้ยงคอยแนะนำนะคอยแนะนวหรือคอยชี้แนะคอยแนะนำว่าอะไรควรไม่ควรอะไรควรประพฤติอะไรควรปฏิบัติอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดสิ่งใดควรทำอย่างนี้สิ่งนี้ควรทำอย่างนั้นต้องคอยจ้ำจี้จ้าชัยนีฉะนั้นก็อาจจะเผลอพลายไปทำสิ่งที่เป็นเรื่องร้ายแรงก็ได้ฉะนั้นจึงบอกว่าพิสุใหม่จะต้องสารวมในพระปาติโมก ทีนี้ถ้าบอกว่าพิสูุเก่าล่ะไม่สมรวมหรือพิสูุเก่าก็ต้องสมรวมแต่ว่าพิสูจน์เก่านั้นท่านได้ผ่านความเป็นพิสูุใหม่มาแล้วนะเป็นมาแล้วฉะนั้นเฉพาะพิสูจนใหม่นั้นเป็นผู้ยังมีนิสัยยังติดกับค า, ารวาะวิสัยอยู่ก็อาจจะทําอะไรไปแบบอย่างโลกโลกเมื่อทําไปแบบอย่างโลกโลกแต่มันก็ผิดกับพระวินยัยขัดต่อพระวินยัยฉะนั้นข้อนี้เราจะต้องปรับติดปรับใจปรับเนื้อปรับตัว คอยระมัดระวังคือมีความสำรวมมีความสังวรเกี่ยวกับเรื่องศีลเกี่ยวกับเรื่องวินัยให้มากเมื่อเรามีความสำรวมระวังเกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องวินยัยก็เท่ากับว่าเราทำตามข้อที่พระพุทธ เ, ธเจ้าทรงอนุญาตเราก็จะมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองมีแต่คำยกย่องชมเชยมีแต่คนสรรเสริญไปที่ไหนก็มีแต่คนกราบไหว้บูชาเพราะเราเป็นผู้เคร่งครัดอยู่ในศีลในธรรมนั่นเองประการที่สองก็คืออินทรีย์สังวร อินทรีสังวรก็คืออินทรีสังวรก็หมายถึงว่าการสำรวมอินทรีหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีหกเป็นทางเกิดความยินดีและยินร้ายถ้าไม่สำรวมแล้วอภิชาโทมนัตย่อมหมายถึงว่าความาโทษนะโทมนัดความเสียใจหรือความอยากได้อะไรมันก็จะได้ช่องเกิดขึ้น เป็นเหตุให้ประพฤติชั่วเสียหายอันนี้คือหมายความว่าผู้ที่ไม่สำรวมในอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแน่นอนที่สุดก็ไอตาเห็นรูปหูที่ฟังเสียงจมูกดมเกลิดลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจนกะคิดในต่างๆก็ย่อมจะละเมอเพิ่ เพ้อฝันไปตามอารมณ์ที่ได้มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะว่าในหกทางนี้ถือว่าเป็นทางนํามาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนนะและทุกจะหมดไปก็หมดไปทางหกทางนี้ท่านเราจึงต้องรู้จักปิดรู้จักกั้นข้อนี้ได้เคยสอนนักเรียนทั้งทางโลกทางธรรมให้ว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนั่งนอนสบาย คนเราถ้ารู้จักปิดหูปิดตาปิดปากแล้วสบายมากฉะนั้นนักปราชญ์ชาวจีนจึงได้ทําเป็นสติเตือนใจเกี่ยวกับเรื่องปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนั่งนอนสบายก็คือทําเป็นวานนอนสามตัวตัวหนึ่งเอามือสองมือไปปิดปากอีกตัวหนึ่งปิดหูอีกตัวหนึ่งปิดตาเมือถ้าคนเรานั้นปิดหูปิดตาปิดปากแล้วก็นั่งนอนสบาย ตั้งแต่ตื่นขึ้นเช้าตาก็เห็นรูปแล้วเราก็คอยจะจับผิดคนอื่นอ่าหูได้ฟังเสียงคนอื่นว่าเราก็คอยจะมุ่งเพ่งโทษเขาจะงูกเราก็ได้กลิ่นอเล้นเราก็ลิ้มรสกายเราก็สัมผัสใจก็นึกคิดเนี่ยมันล้วนแต่เป็นทางที่จะนำความทุกข์มาทางนั้นเลยความทุกข์มาทางนั้นฉะนั้นวั น, ว, นวันหนึ่งเนี่ยเรานำเอาทุกข์เข้ามาเนี่ยร้อยแปดพันประการร้อยอย่างพันอย่างเอาเข้ามาไว้ในจิตในใจ เพราะว่าใจมีหน้าที่ในการเก็บหรือว่าสะสมเก็บอารมณ์สังสมอารมณ์เก็บบุญเก็บบาปเก็บดีเก็บชั่วเก็บไว้หมดใจนี่เก็บทางไหนเก็บที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อมันเก็บไว้มากๆถ้าเราเก็บบุญไว้มากมันก็ออกไปในทางบุญออกไปในทางที่ดีที่งามถ้าเราเก็บบาปไว้มากมันก็ออกไปในทางความชั่วกิริยาที่อาการแข็งกระด้างหยาบคายเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ตนเองและวงตระกูล ฉะนั้นในข้อนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญมากพระพุทธองค์จึงได้บอกว่าอินทรียหกนี่แหละถือว่าอถือว่าเป็นบ่อกเกิดแห่งความดีความชั่วอเป็นบ่อเกิดแห่งความดีความชั่ ว, กก ว, ว, วทุกจะหมดไปก็หมดไปทางนี้อทุกจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้ น, นทางนี้ท่านลองนึกดูสิว่ามีไหมทางไหนที่เกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าเราคนเราเกิดมาไม่มีตาหูจมูกลิ้นไก่ใจแน่นอนทุกมันก็จะมีขึ้นไม่ได้ แต่เมื่อเราทั้งๆที่เรามีแล้วทั้งหมดเราเป็นคนหูหนวกตาบอดอเป็นใบทุกมันก็ยังเกิดขึ้นเพราะการสัมผัสเรารู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ย ร, รู้ใจเรายังนึกคิดได้นี่ฉะนั้นจึงบอกว่าอินทรีย์หกนี่ยมีอํานาจมากมีอํานาจมากมีพลังมากเขาจึงเปรียบไว้ว่าตานี่เปรียบเหมือนงู <c oughs> ตานี่เปรียบเหมือนงูธรรมดาของงูนั้นชอบเข้าในที่รกชอบเข้าในโพรงเข้าในจอมปลวก ตาของคนเราเหมือนกันชอบดูไปในที่รกๆนะชอบดีไปชอบดูไปในที่มืดๆนะคือเรียกว่าหาเรื่องตาเสียหาเรื่องตาแตกเหมือนกับคนเราชอบเข้าบาเข้าคลับเพราะว่าในสถานที่นั้นมันมืดมันสลัวมองเห็นไม่ชัดชอบเข้าอาดูภาพยนตร์เพราะว่เวลาภาพยนตร์จะฉายมั้นเขาจะต้องปิดไฟนะเขาจะต้องปิดไฟมันมืดเพราะว่า เมื่อไฟปิดแล้วเราก็อาจมือไม้อาจจะทําประโยชน์อะไรได้อีกนะได้อีกอันนี้แหละจึงบอกว่าเราตามันพาเราไปเสียเงินนะต้องไปเสียเงินให้ค่าผ่านประตูต้องไปเสียเงินเข้าบาเข้าขัาขบอบอาบนวดนี่เพราะตาเราอยากดูอยากเห็นนั่นเองนะแต่บางครั้งก็พาไปจนตัวตายก็มีนะนี่แหละเขาจึงเปรียบเหมือนงูหูจึงเปรียบเหมือนจระเข้ที่ว่าหูหูเปียบเหมือนจระเข้ก็เพราะว่าธรรมดาจระเข้นั้น เป็นสัตว์ที่ชอบน้ําเย็ น, น, ย น, น, นเย็นน้าใสใสน้ํานิ่งนิ่งน้ําเย็นน้ําใสน้ํานิ่งถ้าหากว่าน้ําที่ใดมีเสียงเอ็ดอื้ออึงแล้วก็จะรูเข้มไม่ชอบนอกว่านอกเสียจากว่าจะเป็นทางผ่านนะจะเป็นทางผ่านไปหูคนเราก็เหมือนกันชอบเสียงเย็นเย็นชอบเสียงเพราะเพะชอบเสียงหวานหวานชอบเสียงใสใส ฟังแล้วมันชื่นใจสบายใจนะถ้าหากว่าเราฟังเสียงแล้วก็อะไรมันก็โชกโคลกหากแล้วมันไม่สบายใจนะไม่สบายใจฉะนั้นคนเราจะรักกันชอบกันก็ต้องพูดพอเพา ะ, พ, าะพี่อย่างงั้นน้องอย่างนี้พี่อย่างนี้น้อ ง, ย ง, งอย่างนั้นแหมหวานหยาดเยิ้มหยดย้อยเลยนะต้องพูดพอเพลออ่าฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าจินเป็นสิ่งสําคัญหูเพราะหูกับเสียงนี่เป็นของคู่กันบางครั้ง เราฟังแล้วว่าวิทยุอย่างนี้ดีนะแต่ก็บอกไม่ดีต้องฟังสเตเรอโออา้าวเราต้องหาเงินไปซื้อสเตเรอโอมั่งแล้วนี่อา้าวพอซื้อสเตเรอโอมาเขาบอกว่ายี่ห้อนี้ไม่ดีต้องยี่ห้ออย่างนั้นต้องลำโพงยี่ห้ อ, อย่างนี้เนี่ยมันหาเรื่องเสียงเงินให้มากขึ้นแต่ประโยชน์ของการฟังนั้นก็คือว่าทําให้เรารู้ดีรู้ชั่วประโยชน์มันอยู่ตรงนี้นะให้สําเร็จประโยชน์แก่เราคือฟังแล้วก็รู้ดีรู้ชั่วนี่ แล้วพวกเราฟังแล้วก็เกิดการปรุงแต่งมากนะเกิดทุกข์เกิดโทษมากนะเกิดทุกข์เกิดโทษมากฉะนั้นนี่แหละบางคนก็ฟังแล้วจนหูแตกแก้วหูแตกก็มีนะฉะนั้นนี่เรียกว่าฟังไม่เป็นนะฟังไม่เป็นแล้วคนฟังไม่เป็นก็ปัญญาไม่เกิดอีกด้วยพระพุทธองค์ยังบอกว่าสุดสูสังละเตปัญญ์ฟังดีก็ย่อมได้ปัญญาตรงกันข้ามฟังไม่ดีปัญญาก็ไม่เกิดนะปัญญาก็ไม่เกิด ฉะนั้ น, นี่แหละหูจึงเปลียนเหมือนจระเข้ชอบเสียงเย็นเย็นนิ่งนงชอบเสียงใสใสเสียงเพราะๆะนะแต่บางบางอาจารย์ท่านก็ให้เป็นข้อคิดว่าน้ำเย็นน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายนะของอะไรที่เราฟังแล้วมันไม่เพราะจะโชกโฉกหักอันนั้นไม่ค่อยเป็นพิษเป็นภัยแต่ของอะไรที่เราฟังเพราะฟังหวานหวนเย็นเย็นแล้วก็มักจะเป็นพิษเป็นภัยทำให้เราตายใจแล้วก็จนเสียเนื้อเสียตัวเสียชีวิตได้ แต่การที่สามจะหมดมกลิ่นจะโหมมีหน้าที่ในการดมกลิ่นฉะนั้นการดมกลิ่นของเรานะี้เรามักจะติดได้กลิ่นที่ดีเป็นที่หอมนะกลิ่นที่หอมในของหอมบางอย่างอาจจะไม่มีประโยชน์ของหอมบางอย่างอาจจะเป็นพิษเป็นภัยก็ได้นะเป็นพิษเป็นภัยก็ได้แต่ว่าเราติดกันในเพราะเราติดของหอมเนี่ยเราจึงตกเป็นทาสของในทุนเกี่ยวกับเครื่องหอมต่างๆทุกวันนี้อะไรเขาก็พยายามใส่ให้มันหอมหอมไว้ของกินของใช้ทําให้มันหอมเข้าไว้ เราก็ชอบเขาเอาน้ำหอมมารตราหน้าไว้นิดหน่อยแค่นั้นเองแต่คุณค่าหรือประโยชน์มันอาจจะไม่มีเท่าไรหรอกนะมันสู้ไรสิ่งที่ที่กลิ่นมันเป็นธรรมชาติก็ไม่ได้ฉะนั้นบางทีคนเราจึงต้องมาทะเลาะกันเกี่ยวกับไอ้เรื่องของหอม น, นิดหน่อยๆอย่างกับเพลงที่ขร้องว่าไอ้น้ำหอมไม่ขวดเท่าหนิวก้อยร้อยทั้งร้อยแล้วก็อ่าซื้อหามาได้แต่น้ำปลาขวดละบาทสองบาทเราซื้อไม่ได้นี่ถึงกับทะเลาะเบาแหวงกันในครอบครัวก็มี ไอ้ร้อยสองอร้อยนเรามาแตะนิดเดียวอนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก็หมดไปนะหมดไปแล้วก็แตะได้คนเดียวอีกด้วยเด็กมันก็ไม่ชอบแกเกินไปก็ไม่ชอบใช่นะมันอยู่ในไวไวหนึ่งแค่นั้นเองแต่ว่าน้ําปลาให้กินได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นี่เนี่ยฉะนั้นจึงบอกว่ามางครั้งเราก็ตกเป็นทาสของไ อ, ข อ, งอ้ของหอมเหล่านี้นะของหอมเหล่านี้ฉะนั้นคนเราจะดีหรือชั่วนั้นไม่ได้อยู่ที่ของหอมไม่ได้อยู่ที่วัตถุภายนอกอยู่ที่ตัวเราเองนะอยู่ที่ตัวเราเอง ฉะนั้นเหมือนการจมูกของเราดมกลิ่นเนี่ยถ้าหากว่าเราสสักแต่ว่ากลิ่นถือกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นนะอย่างนี้ก็จะสบายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะโรคกว่าสักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงเป็นก็สักแต่ว่ากลิ่นไม่ใช่สัตกบุคคลตัวตนเราเขาทําใจให้เป็นกลางอย่างนี้สบายใจนะฉะนั้นหูคนเขาจึงเปรียบเหมือนกับนกนะไอ้นกเนี่ยถ้าหากว่าคนเคยรู้จักนกกระทาหรือนกเขานกคุ้มไหมนี่ าจมูกมันจะระซี่กคงอยู่ตลอดเวลาไอ้หู้ไอ้จมูกคนเราเหมือนกันก็ชอบซุกซอนไซนอนไซนี่อะไรเนี่ยจนสลบกันไปก็มีนี่นี่เขาเรียกว่าไซไม่ถูกที่ว่ากันเถอะนะใช้จมูกไม่เป็นเป็นอาการที่สี่ตายตาหูจมูกลิน้นอ่าตาหูจมูกลิน้นลิ้นเขาเปียกเหมือนกับสุนัขบ้านธรรมดาสุนัขบ้านเนี่ยหรือหมาบ้านของเราเนี่ย มันไม่ค่อยได้กินของดีๆนะกินของไม่ค่อยดีไอนะ้กินของไม่ค่อยดีก็คือว่ากินที่มันไม่มีเนื้อนะโน่นไปกินเนื้อติดกระดูกกินใ้ที่มันเป็นก้างนะเป็นกระดูกที่เจ้าของเขาเอาเนื้อกินหมดแล้วไม่เหมือนกับสุนัขฝรั่งคนยกย่องมากคนชมเชยมากถึงก็ทชงกาแฟให้กินบ้างไปซื้อเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ให้กินบ้างนะบางครั้งหน้าร้อนยังมีพัดลมใบไม่อยู่ในห้องแอร์บ้าง มันอาบน้ำมันฟอกสบู่มีสเตเรอให้ฟังฝายหมาไทยก็สบายอยู่ใต้ถุนนะเนี่ยไม่ได้กินของดีเพราะงั้นเธอปีเดือนไม่เคยได้อาบน้ำอาบท่านี่เราคนเรามันก็ไม่นิยมไม่ให้เกียรติกันบ้างนะไม่รู้จักให้เกียรติกันบ้างเลยไอสุนัขไทยหมาไทยจะเอาดีไม่ได้นะเพราะเราไม่มีการฝึกผลกันไม่มีการทะนุถนอมกันอ่า เ, เราไปยกย่องของนั่นจะเกินเกินมากไปฉะนั้น สุนัขบางตัวของต่างประเทศเขาขายราคาเป็นแสนเป็นล้านของไทยให้กันยังไม่อยากจะเอานะยังไม่อยากจะเอาไปเลยนี่เพราะว่าเราไม่ไปนิยมของของตะวันตกมากเกินไป่นะไม่นิยมของไทยฉะนั้นเล้นที่ว่าเปรียบเหมือนกับสุนัขบ้านก็คือว่าสุนัขบ้านของเราเนี่ยมันกินแต่ก้างกินแต่กระดูกกินแต่น้ําลายตัวเองไอ้คนเราเหมือนกันกินน้ําลายตัวเองกินยังไงเรียกว่ากินน้ํำลายตัวเอง ก็คือว่าสังเกตดูสิเราเคี้ยวข้าวเข้าไปเนี่ยเคี้ยวไปสักอสองสา ม, ช, สามชุบสามจับแล้วก็คลายออกมาจะเห็นว่ามันเป็นใยยางยืดนะเป็นเมือกนะเป็นเมือกเราจะใส่คลายออกมาแล้วเนี่ยจะเอาเข้าวไปก็ไม่ได้นะกลืนอีกก็ไม่ได้แล้วนะมันน่าขยักขยัเนี่อาจารย์จึงบอกว่าเราเนี่ยกินน้ำลายตัวเองนะกินน้ำลายตัวเองบางคนก็กินอาหารที่มันย่อยยากนะพวกเนื้อที่มันเป็นเอ็นต่างๆเนี่ย แหมเนี่ยวเคี้ยวไปชิ้นนึงเนี่ยโอ้โหมันไม่หมดข้าวหมดไปสองสามจานแล้วเนื้อยังไม่หมดเลยเพราะมันเป็นเอ็นเนี่ยเรากินน้ําลายตัวเองนะกินน้ําลายตัวเองแล้วเประการต่อมาก็คือว่ากายก็เปรียบมือกับสุนัขป่าธรรมดาสุนัขป่านี่มันชอบนอนอยู่ตามหลุมบะช้าผีดิบเพราะที่นั้นที่นั่นมันมีไออุ่นอยู่คนเราเหมือนกันก็ชอบนอนเบียดกันก็คือนอนเบียดกับพวกผีดิบเป็นผีดิบที่เดินได้ พอตายแล้วเราไม่กล้าไปนอนร่วมด้วยเพราะเรากลัวนะเรากลัวเราเกลียดเราขยะแขยงแต่ตอนเป็นเรากลับไม่ ก, กลัวนะจริงๆแล้วมันมีพิษมีภัยมากสังคมเราที่เดือดร้อนวุ่นวายทุกวันนี้ฆ่ากันตายแย่งกันตายและทุกวันนี้ก็เพราะไอ้เรื่องเบียดเสียดกันนี่เองแย่งเนื้อหนังบังสากันนี่เองไม่ใช่เรื่องอะไรนะฉะนั้นขอให้เราลองพินิจพิจารณาดูถ้าหากว่าเราทําใจเป็นกลางๆได้เราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบาย ส่วนใจเขาเปรียบเหมือนกับลิงอ่าลิงนี่ธรรมชาติของมันก็คือไม่ค่อยอยู่สุกนะไม่เคยอยู่สุขเลยมันจะกระโดดไปอยู่เรื่อยๆนะเหลวหลอกไคล้ายขวาโดดไปมาอยู่ตลอดเวลาใจของคนเราเหมือนกันพระพุทธองค์ยังได้กลั่นเลยว่าพันธนังจะเป็ลางจิตตังธุระขังทุนนิวาลายังจิตนี้ดิ้นรนกวัดแก ว, ว่งรักษายากข้ามยากนี่มันดิ้นรนกวัดแกงอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าใจไม่หยุดนิ่งนะ นั่งทําสมาธิใจก็ยังแสเออกไปด้วยนะแสออกไปด้วยฉะนั้นในหลักวิธรรมจึงบอกว่าใจของคนเรานี่นะมันมีโดยยอ ก, ก็มีถึงแปดสิบเก้าโดยพิสดารมีตั้งร้อยี่สิบเอ็ดวงนี่มันมากเหลือเกินอารมณ์ของมันมากเหลือเกินมันแสบไปในอารมณ์ต่างๆฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณาว่าอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลิ้นไก่ใจตาเปรียบเหมือนงูหูเปียบเหมือนจระเข้จมูกเปียบเหมือนนก ลิ้นเปียกเหมือนสุนัขบ้านกายเปียกเหมือนสุนัขป่าใจเปียเหมือนลิงแล้วเอาสัตว์ทั้งหกตัวนี้เอาเชือกมาผูกเข้าข้าเอาเชือกหกเส้นมาผูกเข้าปลายข้างหนึ่งอีกปลายข้างหนึ่งก็ผูกไว้กับคอนไม้เมื่อเราปล่อยสัตว์นั้นพร้อมพร้อมกันแน่นอนที่สุดความสับสนโอลหม่านก็จะบังเกิดขึ้นในที่นั้นงูก็จะพาคอนไมเ้เข้าไปในรูนกก็จะพักหูอา่าน จระเขก็จะพาขอนไม้ไปลงน้ํานกก็จะพาขอนไม้ขึ้นไปบนต้นไม้สุนัขบ้านก็จะพาขอนไม้เข้าบ้านสุนัขป่าก็จะพาขอนไม้เข้าป่าลิงก็จะพาขอนไม้ขึ้นต้นไม้มันก็ดึงกันไปดึงกันมายุ่งหมดเลยฉะนั้นวันวันหนึ่งเนี่ยเรารับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าไปมากมายมันก็ไปปรุงแต่งให้เราเนี่ยเกิดสับสนห ม, มานหมานวุ่นหมดบางคนจึงคิดมากจึเป็นโรคประสาทบางคนจึงเป็นโรคจิตโรคหัวใจนี่แหละก็เพราะเหตุนี้ไม่รู้จักสัมรวมฉะนั้น เราจะต้องสัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเมื่อตาเห็นรูปูฟังเสียงจมูกลมเขิ่นเล่นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดในวอารมณ์ต่างๆเราทำอย่างนี้ได้เราก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมาในข้อที่สามความเอกรเรกเหาเป็นพิสูจใหม่ถ้าหากว่าเอกรเรกเฮาก็ถือว่าไม่ใช่กริยาของสมณะผู้สงบระงับ เป็นเหตุอยู่อให้เกิดความฟุ้งซ่านอันเป็นค่าเสึกแก่การศึกษาเล่าเรียนอย่างสําคัญฉะนั้นเป็นพิสูจใหม่จะต้องสํารวมระวังไม่เป็นโกลเอเกรกเเคยหาเพราะว่าตัวเองนั้นยังเข้ามาอยู่ในพระธรรมวินัยยังน้อยนิสัยของคารวะยังติดมาอยู่เความเป็นคารวะนั้นจะทําอะไรก็ได้ไม่มีขอบเขตอะไร แต่เมื่อเข้ามาบวชแล้วจะมาทําเอิบกรกเลิบเฮฮาอย่างนั้นไม่ได้ไม่ใช่กิริยาของสมณะผู้สงบระงับจากกิเลสเมื่อเราเอิบกรกะเลิบส่เงเสียงเฮฮาหรือเคาะมือเคาะไม้อะไรก็แล้วแต่เล่นเหมือนอย่างกับค า, ารวาลวิสัยแล้วแน่นอนที่สุดก็จะเป็นบ่อกเกิดแห่งความฟุ้งซ่านลาคาญใจอันเป็นค่าสึกต่อการเรียนการศึกษาอันเป็นค่าสึกต่อการทําสมาธิเจริญสมถวิปัสสนาแปลการที่สี่ การอยู่คลุกขีกับหมู่ที่เป็นคฆาตสิทอิ์การอยู่อการอยู่ในเสนาสนะอันสงัดบการอยู่ในเสนาสนะอันสงัดถือว่าเป็นสิ่งสําคัญกับผู้บวชใหม่มากถ้าหากว่าอพิสูจน์ผู้บวชใหม่ไม่ได้อยู่ในเสนาสนะอันสงัดแน่นอนที่สุดใจก็ไม่สงบอใจก็ไม่สงบใจก็ย่อมฟุ้งซ่านเมื่อใจฟุ้งซ่านไอ้ ใ, ใจมันก็กลับไปเป็นค า, ารวาสวิสัย นะจะพูดจะทําอะไรมันก็ทําอย่างคารวานะคิดอะไรก็คิดอย่างคารวะดังนั้นถ้าหากว่าผู้บวทใหม่นี้ได้อยู่ในเสนาสะนะอันสงบสงัดซะแล้วแน่นอนที่สุดก็เป็นที่ตั้งแห่งความสงบนะเป็นที่ตั้งแห่งความสงบสะบวกแก่การเรียนการศึกษาการปฏิบัติธรรมนะข้อนี้จึงถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะเป็นสิ่งสําคัญคนเรานั้นจะต้องทํากายให้วิเวกซะก่อนก็คือสงัดกายสงบกาย ก็คือว่าอยู่ในที่สงบไม่เสียงอุกทึกไม่ส่งเสียงเฮฮาเกี่ยวเจ้าจนเกินไปแล้วก็เสียงแวดล้อมก็อ่ำหนวยให้ก็จะทําให้กายสงบเมื่อกายสงบวาจาก็สงบเรียกว่าจิตตวิเวนะเมื่อกายสงบแล้วก็จิตก็สงบเรียกว่าจิตตวิเวนะกายวาจาใจก็สงบเรียกว่าจิตวิเวสงบจิต เ, ตเตมื่อสงบจิตแล้วก็อุปทิวเวกวิเวกก็คือสงบใจจากกิเลสนะจากกิเลสที่จะมา อรบรุ่มเกาะกลุมจิตใจของเราเน่ะเกาะกลุ้มจิตใจของเราฉะนั้นเมื่อเราสงบううกายสงบวาจาสงบใจได้อย่างนี้แน่นอนที่สุดก็จะเป็นพิสุทธิหม่ผู้ตั้งอยู่ในธรรมมีแต่ความสะดวกความสบายมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองราการที่ห้าคือข้อสุดท้ายมีความเห็นชอบนะมีความเห็นชอบเพราะว่าความเห็นชอบก็คือความเห็นถูกนะความเห็นถูกเห็นไม่ผิด ความเห็นชอบเป็นเหตุเห็นความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยปฏิบัติชอบพระธรรมวินัยพวกพิสุเป็นผู้มาใหม่ยังไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยดีและยังเป็นผู้ไม่มั่นคงถ้าไม่ตั้งอยู่ในในในธรรมข้อนี้แน่นอนที่สุดก็จะทำให้เห็นผิดได้นะทําเห็นผิดได้นั้นเห็นชอบนี้หมายถึงว่าเห็นถูกตามพระธรรมวินัยนะไม่เห็นผิด ฉะนั้นที่สูใหม่จึงต้องเรียนศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดถ้าเราไม่เรียนก็ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือสอบถามท่านผู้รู้เพื่อไม่ให้เรานั้นผิดพลาดในเบื้องต้นการผิดพลาดนั้นอาจจะผิดพลาดโดยด้วยรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้หรืออาจจะผิดพลาดรู้แล้วคืนทําก็ได้อันนี้มันก็มีความผิดทางนั้นนะมีความผิดทางนั้นเลยฉะนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งว่าพิสูจผู้บวชใหม่ที่ยังไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัย และยังเป็นผู้ไม่มั่นคงถ้าไม่ตั้งอยู่ในองค์แห่งธรรมเหล่านี้อย่างเคร่งครัดแล้วก็จะเป็นพิสูจน์ที่ดีไม่ได้เป็นอยู่ได้ก็ไม่ใช่พิสูจที่ดีเรียกว่าอันเป็นสีของพระพุทธศาสนาเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้บวช ด, ด้วยศรัทธาวังความเจริญในพระศาสนาจำต้องตั้งอยู่ในองค์ของพิสูจผู้ใหม่ทั้งห้าประการพิสูจเก่าก็ต้องตั้งอยู่ในองค์ห้าอย่างนั้นเหมือนกัน แต่ท่านไม่กล่าวถึงนั้นก็เพราะพิสุขเก่าเคยได้เป็นพิสุขใหม่มาก่อนแล้วองค์ทำคุณห้าอย่างสงเคราะ์ลงในไใจสิกขาก็คือข้อหนึ่งก็สองก็สามสงเคราะห์เข้าในศีลแสิกขาข้อสี่สงเคราะ์ลงในจิตตาสิกขาข้อห้าสงเคราะลงในปัญญาสิกขาถ้าจะมีคนถามว่ามีความจําเป็นอย่างไรท่านจึงสอนให้พิสุขใหม่ตั้งอยู่ในองค์ทั้งห้าอย่างอันนี้ก็ตอบได้เลยว่ามีความจําเป็นอย่างนี้ ีิสู่ผู้บวชใหม่ๆกลิ่นไอของคารวะยังไม่หมดไปเลยทีเดียวเป็นเหตุให้มีใจหวนคำนึงถึงบ้านของตนหรือถึงพวกพ้องถึงญาติมิตรหรือถึงคนที่เคยรักกันหากไม่มีอะไรเป็นเครื่องบังคับใจแล้วก็มักทำอะไรตามลำเภอิดใจเช่นนี้ก็ย่อมจะมีทุกข์มีโทษและก็เป็นความผิดทางพุทธบัญญัติและอาจจะเป็นความผิดทางอาญากฎหมายด้วยก็ได้ ซึ่งทรงตั้งไว้โดยเป็นพุท ธ, ธานาคือเป็นระเบียบเป็นวินัยจะเห็นว่าแต่ละองค์ล้วนเป็นสำคัญของพิสุใหม่ทั้งนั้นแต่ละข้อนะแต่ละองค์ก็คือแต่ละข้อล้วนแต่เป็นสิ่งสำคัญต่อพิสุผู้บวชใหม่ทั้งนั้ น, <อ> น, นเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ภิสุใหม่ตั้งอยู่ในองค์ห้ายางหรือถ้าจะมีคาถามว่า เพราะเหตุไรพิสูจใหม่จึงต้องตั้งอยู่ในองค์ห้าส่วนพิสูจเก่าเล่าไม่ต้องตั้งอยู่หรือท่านจึงไม่กล่าวถึงเรื่องนี้เลยอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าเพราะพิสูจใหม่ยังไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยอันดีและยังเป็นผู้ไม่มั่นคงถ้าไม่ตั้งอยู่ในองค์เหล่านี้อย่างเคร่งครัดแล้วก็จะเป็นพิสูุอยู่ไม่ได้ อ, อาจจะสึกไปภายในวันสองวันก็ได้อันนี้มีตัวอย่างเยอะแยะไปนะ หรืออาจจะประพฤติไม่ชอบไม่ถูกไม่ควรก็ได้หรือเป็นอยู่ได้ก็ไม่ใช่เป็นพิสุที่ดีอันเป็นสีของพระพุทธศาสนาส่วนพิสุเก่าเล่าก็ควรตั้งก็ควรที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตามเหมือนกันถ้าไม่คอยสํารวงก็มีโทษเช่นเดียวกันก็พิสุเก่านั้นโดยที่แท้ก็เคยเป็นพิสุใหม่มาก่อนฉะนั้นองค์ห้าอย่างท่านก็ องห้าอย่างท่านก็เคยประพฤติปฏิบัติมาก่อนแล้วฉะนั้นท่านจึงไม่กล่าวถึงอีกฉะนั้นเมื่อพูดถึงเรื่ององค์ของพิสูพผู้ใหม่องค์ของพิสูุผู้ใหม่หมก็เป็นสิ่งที่บรรดานักเรียนนักศึกษาและก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายควรจะสนใจอยู่อนิดหน่อยก็คือเกี่ยวกับเรื่องความสํารวมในในพระปาฏิโมกในข้อนี้สําคัญ คือผู้ที่บวชใหม่โดยเฉพาะบางองค์เนี่ยบวชแค่ห้าวันเจ็ดวันห้าวันเจ็วันเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ศึกษาตำราอ่าไม่ได้มีโอกาสเลยหรือบางองค์นอกจากไม่มีโอกาสได้ เ, เรียนศึกษาในตําหนับตำราไม่ได้เรียนกับครูอาจารย์แล้วก็ไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมไม่มีโอกาสได้นั่งสมาธิจเจริญสมาถวิปัสสนาฉะนั้นขอประทานโทษบวชแล้วก็เหมือนไม่ได้บวชนะบวชแล้วก็เหมือนไม่ได้บวช อันนี้น่าเสียดายมากสําหรับพิสูจผู้บวชในห้าวันเจ็ดวันสิบวันสิบห้าวันหรือหนึ่งเดือนเนี่ยฉะนั้นถ้าหากว่าได้พี่เลี้ยงไม่ดีก็ถือว่าบวชก็เหมือนไม่ได้บวชเพราะว่าบวชครั้งหนึ่งนี่พ่อแม่จะต้องเสียเงินเสียทองต้องเป็นหมืนม่นๆนะจัดการจัดงานต้องลงทุนลงแรงไปมากพอบวชได้ห้าวันเจ็ดวันท้าลูกชายศึกมาแล้วเขมินบนหัวยังออกไม่หมดเลยกลับมาถึงบ้านเสร็จแล้วมันเหมือนว่านอนหลับฝันได้ช่วยคู่ช่วยยามเนี่ยหมดเงินไปเป็นจํานวนมาก ข้อนี้ก็ควรจะน่าใส่ใจให้มากและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ า, าผู้ที่บวชใหม่นั้นนะผู้ที่บวชใหม่เขามีหลักอยู่ว่าถ้าหากว่าบวชไม่ได้สำนักดีไม่ได้อุปชาดีไม่ได้อาจารย์ดีก็เหมือนไม่ได้บวชน่าเสียดายฉะนั้นในฐ า, านะที่เรามีโอกาสที่จะเป็นนักบวชก็ขอให้เลือกสำนักที่ดี เลือกอุบาชาที่ดีเลือกอาจารย์ดีแล้วจะทําให้เรานั้นเป็นพระพิสูจน์ที่ดีไปด้วยเป็นพระทีพิสูจน์ที่ดีไปด้วยฉะนั้นเมื่อเราเป็นพระพิสูจน์ที่ดีก็เป็นสิ่งที่น่าเคารพน่ากราบไหว้น่าบูชาก็ขอให้เราทุกคนเมื่อได้ฟังสิ่งนี้แล้วก็ลองนําไปประพฤติปฏิบัตินําไปอบรมสั่งสอนบอกต่อๆกันไปว่าการที่เรามาเข้ามาใหม่ในพระพุทธศาสนาแม้ว่าจะบวชน้อยก็ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมากๆ เขาบอกว่าพระพุทธองค์ได้ตัดไปว่าผู้ที่บวชแม้จะบวชน้อยสักสามวันห้าวันเจ็ดวันสิบวันเนี่ยแต่เมื่อบวชแล้วตั้งใจศึกษาเลาเรีธรรมวินยัยตั้งใจปฏิบัติตามธรรมวินยัยด้วยการเจริญสมาธิสมถวิปัสนาอาจจะดีกว่าผู้ที่บวชตั้งร้อยปีแล้วไม่ตั้งใจศึกษาเลวีธร ร, รมวินยัยไม่ตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมวินยัยก็ได้ ฉะนั้นขอให้พิสูจน์ผู้บวชใหม่นั้นจงตั้งจิตตั้งใจนะและความสุขความเจริญก็จะบังเกิดขึ้นมากนะจะบังเกิดขึ้นมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้นึกไว้เสมอว่าเรายิ่งใหม่นะเมื่อใหม่อะไรเราเข้ามาใหม่แล้วเราจะต้องมีอะไรให้ใหม่ๆขึ้นนะออกไปแล้วก็ต้องมีของดีของใหม่ออกไปไม่ใเว่าออกไปอย่างไรก็ เราเข้ามาอย่างไรก็ออกไปก็อย่างนั้นนั่นแสดงว่าเราบวชแล้วขาดทุนนะบวชแล้วขาดทุนแล้วตอนบวชใหม่ๆแล้วเราจะต้องพยายามหลีกออกจากเพื่อนฝูงให้มากบางองค์บวชเจ็ดวันแล้วก็ปรากฏว่าตั้งแต่เริ่มวันบวชไปก็มีญาติพี่น้องมาคุยทุกวันตั้งแต่เช้าจดเย็นเช้าจดเย็นอย่างเงี้ตลอดเจ็ดวันพาบวชใหม่ก็เลยไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วทำวินัยอะไรเลยนะไม่ได้เลยสักนิดเดียวนะเศีล ส, สักตัวก็จะไม่เพิ่มขึ้นวินัยสักข้อก็จะไม่เพิ่มขึ้น ทำนะรรมะสักตัวก็จะไม่ได้ไปเลยนี่เพราะอะไรเพราะเราบวชกันเป็นประเพณีนะบวชกันเป็นวัตรนีเราไม่ได้บวช ด, ด้วยศรัทธาไม่ได้บวช ด, ด้วยความเชื่อความเรื่องใสหรือบางทีเราบวช ด, ด้วยศรัทธาแต่ว่าขาดผู้แนะนําที่ดีขาดอาจารย์ที่ดีก็ทําให้เราเป็นพระพิสูจนใหม่ที่เดทไม่ได้ฉะนั้นการบรรยายเกี่ยวกับองค์แห่งพิสูจนผู้ใหม่ห้ายอย่างก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย